ปัชิมลิขิตปัจชิมลิขิตหรือที่ย่อว่าปอลอนั้นตามพจนานุกรมไทยแปลว่าเขียนภายหลังกล่าวคือเป็นข้อความที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นตอนท้ายภายหลังที่ได้เขียนเรื่องราวจบไปแล้วแทนที่จะได้ลิขิตเขียนเอาไว้ในตอนตอน้ตนๆแต่พึ่งจะนึกขึ้นมาได้และเห็นว่าสำคัญถ้าหากไม่ได้เขียนเอาไว้ก็เสียดาย เราอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ชาวพุทธเราโดยมากกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าหรือรูปเคารพด้วยความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนการนำเอาแบบอย่างของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติกราบไหว้บูชาท่องบทสวดมนต์บทพระธรรมด้วยความเป็นคาถาเพื่ออ้อนวอนขอผลดลบรนดาลแทนการทาความเข้าใจ ว่าทรงตรัสสอนอย่างไรแล้วนำเอามาปฏิบัติกราบไหว้เคารพนับถือพระสงฆ์ด้วยความเป็นเกจิดังขลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยอิทธิฤทธิ์เครื่องรางช่วยให้สมปรารถนาในลาบยศตำแหน่งและบริวารแทนการเข้าไปเพื่อขอฟังธรรมเพื่อนำเอามาปฏิบัติกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ควรระลึกนึกถึงอะไร พระผู้มีพระภาคทรงตอบปัญหาของปุญ嘎มน ก, มนกสิทธิคนที่สามของพราหมณ์ภาวรีถึงสาเหตุของการกราบไหว้อ้อนวอนว่าหมู่มนุษย์เหล่านี้กราบไหว้อ้อนวอนเพราะอาศัยความอยากได้ของตามที่ตนปรารถนามุ่งลาบที่ตนหวังจึงสวดสรรเสริญอ้อนวอนรำพึงถึงสิ่งที่ตนปรารถนาเขาเหล่านั้นยังกำนัดยินดีในภพ ไม่ข้ามพ้นชาติชาราไปได้แต่หากแม้นว่าไม่มีความทยานอยากก็ยอมจะข้ามพ้นชาติชาราไปได้พระพุทธศาสนาจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติแต่การที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้นั้นต้องศึกษาหลักพระธรรมคำสอนให้เข้าใจชัดเสียก่อนแต่ถ้าหากศึกษาแล้ว ก็ยังไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติอีกเล่าก็เปรียบเหมือนนายโคบาลรับจ้างเลี้ยงโคมัวแต่นับโคอยู่เพื่อหวังเพียงแค่ค่าจ้างก็หาได้ลิ้มรสโคทั้งห้าไม่จากธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่ย5บห้าแต่ก็อีกนั่นแหละพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าไม่เคยได้สดับมาแล้วในแสนกลับ เสียงของพระสัตย ธ, ธรรมก็จะไม่เข้าไปสู่รูหูของเขาเหล่านั้นเหมือนกับอุบาสกสี่คนนั่งฟังธรรมแต่นั่งหลับนั่งขีดดินเขย่าต้นไม้และแหงนมองดูท้องฟ้าพระพุทธศาสนาและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกแม้ทั้งจักรวาลย่อมมีเกิดมีดับเป็นสามั ญ, ญลักษณะเสมอเหมือนกันทุกรูปทุกนามไม่มีเว้นที่เกิดแล้วไม่ดับ ไม่มีในโลกจากปฐมอายุสูรถ้าแม้นว่าหากเราจะมองเข้ามาหาที่ตัวของเรากายและจิตนี้ก็ยังมีเกิดมีดับอยู่จงใช้ตาปัญญามองเข้าไปให้เห็นประจักษ์บัญญัติมันบางปรมัติอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาเราจะประจักษ์ชัดปรมัตา์เข้าหรือไม่เขาก็เกิดดับของเขาอยู่แล้วอย่างนี้มีความเปลี่ยนแปลงปรวนแปร ى, เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเป็นอนิจจังไม่อยู่ในอำนาจบงการบังคับบัญชาให้เป็นไปได้ดังใจของเราไม่ได้เลยสักสิ่งเดียวเป็นอนัตตา แต่เราก็เข้าไปยึดมั่นว่าเป็นของเราอยู่ในอำนาจของเราจะเอาแต่ที่เกิดที่ดับไม่ต้องการจะเอาเฉพาะแต่ที่ชอบที่ชังไม่เอามันจึงเป็นทุกข์ธรรมชาติธรรมดาธรรมะเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ทั้งโลกและจักรวาลทุกสรรพสิ่งแม้แต่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันอนิจจัง มันนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นธรรมนิยามประจําโลกมีเหตุเกิดผลจึงเกิดมีเหตุดับผลจึงดับถ้าเข้าใจชัดได้อย่างนี้ก็จะมีดวงตารู้ธรรมเห็นธรรมว่าธรรมดาของโลกธรรมมีเหตุปัจจัยกันอย่างนี้ให้พิจารณาและยอมรับเสียให้รู้สมมุติอย่าไปหลงสมมุติจนบางวิมุต ก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันทรงตรัสตอบปัญหาของสิทธิคนที่สี่ของพราหมณ์ภาวารีชื่อเมตคูมานกว่าทุกข์ในโลกหลายประการมีเหตุมาจากอุปธิคือกรรมมากิเลสกระทำอุปธิให้เกิดขึ้นย่อมประสบทุกข์เมื่อมารู้จักเหตุแล้วอย่าพึงกระทำให้อุปธิกรรมนั้นเกิดขึ้น ผลกรรมก็พ้นทุกข์และในกุกุโรวาทสูตรว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมโปรดศึกษาเรื่องติเหตุกะปฏิสนธิจิตกับชนกกรรมนำเกิดในชาติหน้าวิถีชาวนาจิตดวงที่เจ็ดกับอุปัชเวทนิยกรรมในชาติหน้า มโนปุพังขามาธรร ม, มามโนเศษฐามโนมยาธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจหมายเหตุผู้อ่านสำหรับข้อนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณพูดแตกฉาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยที่มหาจุฬาก็เน้นย้ำเรื่องนี้ไว้มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป และท่านมักจะเน้นประโยคนี้เช่นกันคือมโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมยาซึ่งท่านว่าเป็นหลักสำคัญที่เข้าใจได้ง่ายและจะทำให้เข้าใจกฎแห่งกรรมได้ถูกต้องว่าทุกสิ่งนั้นล้วนเกิดจากใจจริงๆเกิดจากวิบาเกิดจากกรรมที่สะสมข้ามภพข้ามชาติสำหรับหัวข้อวิ ญ, ญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนั้นถ้าเข้าใจได้จนถึงเห็นภาพว่า ต้นไม้ภูเขาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกายเรานั้นล้วนเกิดจากใจได้อย่างไรก็จะเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทได้ตรงทางและเห็นชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าพบทุกภบล้วนสําเร็จด้วยใจเกิดได้ด้วยใจทั้งนั้นและเมื่อเห็นชัดก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นของจริงไม่มีอะไรเป็นของแท้สักอย่างสําหรับท่านที่สนใจลองไปฟังเรื่องแววเสียงสวรรค์ซึ่งอัดเสียงเวลาสี่เล่มนะครับ เป็นการศึกษาเรื่องโลกหลังความตายที่จะเป็นแนวทางให้เข้าใจได้จริงว่าทุกสิ่งเกิดจากใจอย่างไรมีโอกาสก็อยากให้ลองฟังดูแล้วใช้ใจที่เป็นกลางค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาอย่าด่วนตัดสินอย่ารีบเชื่อหรือปฏิเสธนะครับแล้วท่านอาจจะเห็นได้ว่าโลกนี้และสิ่งรอบกายนั้นเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโลกคือตาหูเป็นต้นนั้นถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เรียกว่าโลกเมื่อเกิดมาก็มีสิ่งที่ได้เห็นได้ยินก็จะต้องได้เห็นได้ยินนี้เป็นโลกโลกหนึ่งที่กว้างสอกยาววานาคืบหนึ่งคือสรีรกายอันมีสัญญาคือความจําได้หมายรู้และใจครองอยู่ จะห้ามไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินเช่นนี้ห้ามไม่ได้เลยเพราะนี้เป็นกรรมเก่าทรงตรัสรับรองยืนยันไว้เที่ยงแท้แน่นอนในกรรมสูตรจึงให้ยอมรับใช้นี่ทางกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียสรรพสัตว์ ท, ทุกคนทุกรูปทุกนามย่อมมีเห็นได้ยินในโลกไม่เคยมีเวลาไหนเลยที่สัตว์จะว่างจากการเสวยวิบา ก, กรรม สัตว์โลกต่างก็มีการเป็นของตนและเห็นหรือได้ยินเป็นต้นนั้นของแต่ละคนแต่ละสัตว์ต่างก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งที่ผัสสะกระทบทางตาทางหูเป็นตน้นเมื่อเห็นหรือได้ยินพึงคุมผัสสะให้ได้พึงดับเวทนาให้ได้เมื่อคุมผัสสะได้ก็ดับเวทนาได้ดับเวทนาได้ ตัณหาอุปาทานจนถึงอวิชชาก็ดับไม่มีกรรมดำไม่มีกรรมขาวไม่มีวิบากดำวิบากขาวให้ต้องไปเกิดอีกย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมจากกุกุโรวาทสูตรพึงเชื่อศรัทธามั่นคงในศรัทธาสีทศวะัตถุกรรมสักตาปัญญาสิบนี้เป็นบาทฐานของสมาทิฏฐิ เป็นปัญญาขั้นต้นอริยมรรฏิปทาจะบังเกิดตามเพราะสัมมาทิฏฐิย่อมโน้มเอียงไปสู่นิพพานพึงเริ่มต้นเดินทางให้ถูกถ้าตั้งต้นถูกตรงทางปลายทางก็ถูกตรงการเดินย่อมบรรลุจุดหมายอย่าลืมถามตัวเองบ่อยๆว่าเกิดมาทำไมชีวิต คือการเดินทางของจิตที่ไม่มีวันจบมีแต่เดินไปข้างหน้าฝ่ายเดียวไม่มีย้อนกลับข้างหลังอีกแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปสู่ความเสื่อมทุกๆขณะที่หลับตาและลืมตาทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดไม่ตายนี่ละคือเป้าหมายของชีวิตการเดินทางธรรมให้เป็นชีวิตที่มีจุดจบ ในพุทธกาลนี้ได้ผ่านพ้นมาแล้วสี่การได้แก่ปุริมการปฐมโพธิการมชจิมะโ พ, พธิการปัจฉิมโ พ, พธิการได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วขณะปัจจุบันเป็นช่วงของอปรรกาลเป็นการของกึ่งพุทธกาลหลังพระศาสนาได้ผ่านพ้นไปแล้วสามยุคได้แก่กริษดายุคไตราดายุคทวารบรยุคมาแล้ว บัดนี้เข้าสู่กาลีของคนไม่ดีมากกว่าคนดีเป็นยุคธรรมะขาลงแห่งความกาลีทำลายล้างกันด้วยไฟราคะโทสะโมหะเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่พึงประมาท ร, รู้ว่าเป็นธรรมะขาลงแต่เราก็อย่าไปลงกับมันฝืนมันไว้พึงตั้งยกจิตขึ้นเจริญสติ และมันเพิ่มความภาคเพียรขึ้นมาประคับประคองใจใส่ใจสภาวะธรรมปัจจุบันให้มากฝ่าเฟินคลื่นลมทะเลใหญ่ข้ามไปให้พ้นวังวนโอขะสงสารที่กวางอยู่ข้างหน้าให้จงได้จากพระเทกรัตตสูตรตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่มุ่งหมายถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละไปแล้วแก้ไขอดีตไม่ได้สิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงอนาคตก็ยังมาไม่ถึงอดีตอนาคตจงเห็นว่าเป็นไฟให้พึงเห็นแจ้งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้าปัจจุบันให้รู้ธรรมะนั้นและเจริญขึ้นเนือง พิจารณาอยู่ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนเขาเหล่านั้นได้ถือกุญแจเปิดประตูพระนิพพานไว้ในกำมือแล้วผู้ใดไม่เพลิดเพลินไปกับอารมณ์รูปเสียงที่มากระทบตากระทบหูไปกับอดีตอนาคตไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนไม่ประมาทเลอสติเห็นแจ้งสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้า มีสติทุกอิริยาบถความกำหนัดและโทมนัสย่อมไม่ผูกวิญญาณย่อมพ้นเครื่องผูกของมานได้รีบค้นหาเอาสาระประโยชน์จากพระศาสนาด้วยการนำเอามาปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทให้จงได้หนทางเดินทรงตรัสรับรองไว้มีทางเดียวเท่านั้นเมื่อบุคคลได้เจริญ ได้กระทาให้มากซึ่งสติปฐานสี่พระสัตทธรรมจึงจะตั้งอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วและพระพุทธว จ, จนะจากปราหมณสูตรว่าดูก่อนอานน์ถ้าพวกเธอเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นแหล ชื่อว่าไดสักการะไดเคารพนับถือและบูชาเราตถาคตด้วยการบูชาอย่างสูงสุดและอีกพุทธวจนะจากมหาปรินิพา น, นสูตรตรัสว่าหากประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ตราบใดมรรคนิพพานก็คงมีอยู่ตราบนั้น อนว่าความสุขนั้นมีใช่เกิดแต่การได้รับแต่เพียงอย่างเดียวก็หาไม่แต่เกิดจากการได้ให้ด้วยและถ้าหากจะสละสิ่งอันเป็นที่รักยิ่งแม้ชีวิตหรือปล่อยวางการยึดถือมั่นตัวตนลงได้ก็ยิ่งเป็นสุขสันติอันประนีตสูงสุดเพราะสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร เพื่อจะเอาไว้ใช้ในขณะเมื่อจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายของชาตินี้ให้ทำชวาวนะวิถีจิตดวงสุดท้ายในอสัญนกรรมและอุปัชเวทนิยกรรมให้เป็นติเหตุกะปฏิสนธิจิตในชาติใหม่เท<ๆ>่านี้ก็นับว่าได้ลิ้มปัญจกโครถทั้งห้าได้บ้างเป็นการเปรียบเทียบถึงคนเลี้ยงโคกับเจ้าของโคนะครับ พึงค้นหาเอาประโยชน์จากพระศาสนาเถิดอย่าพึงเป็นทัพผีในหม้ อ, อกแกงอยู่เลยคนมั่งมีที่ไม่รู้จักพอก็จนตลอดกาลคนจนแต่รู้จักพอก็เป็นคนมั่งมีตลอดเวลาสันตุถีปรมังทนังความรู้จักพอเป็นยอดซั์พระพุทธวจนะธรรมบท เสียงอ่านหนังสือมนุษย์เกิดมาทำไมเล่มที่สิบห้าตอนอ ธ, ธกถาธรรมบทแปลาจากพระบาลีเรียบเรียงโดยพระอาจารย์สุวัตสุวัฒโนในวงเล็บพิทักษ์วงอุทยานธรรมวิปัสนามวกเหล็กสำหรับท่านที่ต้องการหนังสือเพื่ออ่านโปรดติดต่อได้ที่กองทุนนิติเผยแผ่พระสัจธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือเป็นไฟล์ pdf เพื่ออ่านออนไลน์ได้ฟรีที่เว็บไซต์ buddhaanswertolife com นะครับหรือดูได้จากลิงก์ที่แนบมาใต้คลิปและในเว็บไซต์ที่เผยแพร่เสียงอ่านนี้นะครับขอทุกท่านอนุโมทนากับเจ้าภาพผู้จัดทําทุกท่านที่อ่านรายชื่อไว้ต้นภาคในแต่ละภาคซึ่งถือว่าเป็นผู้ร่วมจัดทําในทุกภาคไปพร้อมกันนะครับและขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทําเพิ่มเติมดังนี้ครอบครัวชัยรัตน คุณพ่อวิชาณมนธาทิพกุลคุณภัยจิตงามสุริยพงษ์คุณนุดีมณีฉายคุณอาคิราแซ่เตอคุณนภัสกรพิทักษ์คุณสิริพรทองผาสุขคุณกิติพิษดาชนชดคุณทันสยาจินดาศิวนาถคุณทันรวีรัตนศิริอภิรัตคุณพชรวันหวังกำกลางคุณปราโมทหงสกุลคุณอังคนามนธาทิพกุลและคุณทันสพงศ์วรกิจก้องรัศมี ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพรวมทุกท่านสพานัพพทันนางธรรมทานางจินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความพอใจในธรรมชนะความพอใจทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกทั้งปวงอริยคุณพุทธธรรมชมรมผลดีเมษายนพุทธศักราช2564